พระธรรมเทศนาแผ่นที่83ลำดับที่14โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่5มีนาคม2559มีชื่อเรื่องว่าหาบุญเข้าใจหาปัจจัยเข้ากระเป๋า เอาอยู่ในความสงบแล้วลูกหลานนะเจนีนะเดี๋ยวหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังนิดหน่อยไม่มากขออกาสณ์ในหลวงปู่นะกับผมวันนี้เป็นวันที่5มีนาคมพุทธศักราช2559วันนี้ถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งสำหรับเจ้าภาพได้เชิญญาติพี่น้องออผู้ที่รักเคารพรือรู้จักมักคุณได้มาร่วมกัน ทำบุญบริษัททำบุญประจําปีของบริษัทแกลงพ่อไม่รู้จักโยมเท่าแก่รู้จักแต่โยมไก่ยมไกยนะพราะยมไก่ไปวัดหลวงปู่บุญมีหลวงปูอ่ อ, อาจารย์จันมีหลวงปู่นิพนธ์แล้วก็ไปแถบวัดครูบาอาจารย์วัดหลวงตาเป็นหลักนะวันนี้ก็ได้มาครูบาอาจารย์รู้สึกว่าแถวยาวเจียดที่มาร่วมงาน ทาบุญบ้านบริษัทของทบริษัทอะไรทำตุ๊กตาบริษัทอะไรฮะแครครับแครบริษัทแคลรอตทำตุ๊ ก, กตาใช่หผมชื่อเจี๊ยบครับเป็นลูกชายครับโ อ, <c oughs> อ, อลูกไก่ลูกไก่เหร อ, ร ช, อชื่อเจี๊ยบใช่ไหมออันนั้นอันนั้นไม่อันนั้นไก่อันนั้นเจี๊ยบโอ้อ้าวดล่ะเป็นผู้มีจิตศรัทธาทั้งสองตาใหญ่ทีเดียวเลย มีน้ำจิตน้ำใจต่อพี่น้องศรัทธาญาติโยมแล้วก็นิมนต์ครูบาอาจารย์หลวงปู่ประสานที่เป็นพระมหาเทระหลวงปู่น้อยนะ เ, เ, เป็นพระเทระผู้ใหญ่มาในงานถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งลูกหลานแต่หลวงพ่อเองเห็นลูกเห็นหลานทั้งหลายมาร่วมมาทำงานในบริษัทฟัทฟงๆดูแล้วก็มี พนักงานรวมกันทั้งหมดก็มากพอสมควรแต่หลวงพ่อเองอยากจะย้ำเตือนลูกหลานทุกคนนะามาทำงานในกรุงเทพเมื่อทำงานได้แล้วได้เงินเดือนแล้วให้รู้จัก เ, เมื่อให้รู้จักหาและก็ให้รู้จักเก็บและก็ให้รู้จักใช้นะาหาคืเนี่ยแหละพวกเราหามาทำงานบริษัทเนี่ยหาเงินนะเมื่อาหาได้เงินแล้วให้รู้จักเก็บไม่ใช่ได้มาแล้วใช้ช่ยแจก แล้วก็รู้หารู้จักใช้มาแล้วรู้จักเก็บ เ, เก็บเพื่ออะไรเก็บเพื่ออนาคตของพวกเรานั่นแหละไม่ใช่เก็บเพื่ออนาคตหลวงพ่อนะหลวงพ่อมีแต่พู้บอกกล่าวเก็บขึ้นมาแล้วก็อนาคตของเราเรามีครอบมีครวัมครวมีพ่ อ, ม, พอมีแม่มีสามีภรรยามีครอบครัวเ <IS AS 1> พราะเราจะต้องได้ไดรับผิดชอบเพราะนั้นเมื่อเก็บมาแล้วเราต้อง ได้มาแล้วต้องเก็บรักษาเราจะใช้อย่างไงอย่างน้อยก็เก็บเข้าธนาคารเอาไว้เพื่อมีความจำเป็นในชีวิตในครอบครัวของพวกเราถ้าหากพวกเราไม่รู้จักเก็บนะต่อไปภายภาคหน้าเมื่ออายุเท่าแก่ชราลงไปแล้วนะ่ะเงินก็หายากนะท่านี่เห็นไหมพวกคนแก่แกเมื่อสมัยหนุ่มกานั้นแหะทั้งทั้งสุราทั้งนารี ทั้งพาชีกีฬาบัดสนุกสนานแต่พอเท่าแก่มาแล้วนะมีแต่ความทุกข์กระถมเพราะเหตุไรเพราะไม่มีเงินที่จะใช้เพราะนั้นในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านว่าสุขขษาสะนันตะลังทุกขังสุขสุขแปลว่าเมื่อเราเป็นน้อยหนุ่มมีความสุขสนุกสนานหาเงินหาทองมาแล้วก็เที่ยวเตรเ อ, อันไหนที่จะมีความสุขทั้ง ทั้งสุราทั้งพาจีการพนันทอกอย่างพวกเราสนุกสนานแต่เมื่อเท่าแก่ชลามาแล้วนันหาเงินไม่ได้ไม่รู้จะพึ่งหน้าแบกหน้าบากตาไปหาใครหาลูกหาหลานไปอยู่กับใครไม่ได้ทั้งนั้นเพราะว่าตัวเองหมดสภาพอันนี้เปนว่าสมัยก่อนสมัยน้อยหนุ่มนะสุขขัดสาแต่มีความสุขสนุกสนานนะสุขขัสาสะนันตารางทกขัง เมื่อเข้าแก่ชราแล้วจะมีความทุกข์นะลูกหลานนะฟังไว้ให้ดี เ, เมื่อเราสนุกเมื่อต้นมือจะมีความทุกข์เมื่อปลายมือแต่ถ้าว่าผู้ไรก็ตามทุกขัสาสะนันตลังสุขขังในเมื่อเป็นน้อยเป็นนุ่มรู้จักเก็บรู้จักหาและก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดรู้จักเก็บเอาไว้เพื่ออนาคตของตัวเองอนาคตไปเราไม่แน่ว่าพ่อแม่หรือพี่น้องสามีภรรยาอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วย ตัวเองอาจจะบเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ เ, เพราะฉนั้นพวกเราควรจะมี เ, เงินเป็นก้อนถ้าได้มากันนะ่อซื้อที่ดงซื้อที่ดินซื้อเออทาเฮาซื้ออะไรก็ได้ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เตรียมไว้เพื่ออนาคตของตนเองเราหาเงินด้วยความยากลําบากกล า, กลางค่กงคำกลางคืนกลางค่ำกลางคืนไม่ได้ับหลับได้นอนไม่ได้พักได้พักได้พอนแต่ว่าเราเก็บเงินนะ เมื่อเท่าแก่ชราเราจะสบายนะลูกหลานนอะอันนี้ให้ฟังเอาไว้นะอันนี้เทวท่านว่าทุกขษาสนันตลังสุขขังเรามีทุกเมื่อต้นมือเราจะมีความสบายเมื่อปลายมื อ, อ, อไม่ดีกว่าหรือเพราะฉะนั้นขอให้พวกลูกหลานทั้งหลายเนอมาทําการทํางานในกรุงเทพมาแ ส, สวงหาทรัพย์ อ, อย่าไปเที่ยวอย่าไปเตรอย่าไปสนุกสนานจนเกินไป ให้เก็บหอมรอมริบเอาไว้เพื่ออนาคตของตนเองแล้วก็พร้อมกันก็ให้รู้จักศีลและให้รู้จักธรรมให้รู้จักคุณงามความดีในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญนะตายแล้วเกิดอีกอันนี้ให้พวกเราศึกษาเอาไว้อย่าเพิ่งฟังอย่าเพิ่งปฏิเสธเพราะว่าในหลักธรรมคาสอนของพุทธะท่านว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิด เพราะพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์ที่โคลนต้นโพนะที่ประเทศอินเดียนท่านไปพิสูจน์ตั้งหปีอยู่ในป่าดงพงไพยไปภาวนาแต่วันเดือนหกเพนท่านได้ตัดสรุ้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อพระเมื่อพระไทยใจของพระองค์นั่งขัดสมาธินะเมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมา ท่านรู้ว่ากายกับใจใจกับกายเป็นคนละอันกันนะไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันร่างกายและกับใจร่างกายจัว่โรู ป, ปธรรมส่วนนามธรรมคือจิตใจหวัดนามธรรมคือจิตใจตัวผู้รู้นะนามธรรมแต่ในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องนามธรรมมากกว่าโร ป, ปธรรมจัว่ามโนปุพังขามาธรรมามโนเสรามโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจเพราะฉะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาท่าในให้ความสําคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของร่างกายนะสัตยาญาติโยมลูกหลานหลวงพ่อเลยมาเปรียบเทียบให้คณะสัตยาญาติโยมลูกหลานได้ฟังได้เห็นว่าเนี่ยร่างกายของเราเหมือนกับรถนะแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถนี่ไม่ใช่อันหนึ่งอันเดียวกันพวกเราคงรู้ว่ารถคืออะไรเออ คนขับรถคืออะไรแต่พระพุทธเจ้าท่านในความสําคัญโซเฟอร์รถมากกว่ารถนะอในเมื่อรถไปเฉียวไปชนคนนะเขาจับโซเฟอร์นะเขาไม่ได้จับรถนะนี้ก็เหมือนกันนะั่นะหละถ้ า, าบาปกรรมทั้งหลายในเมื่อเราไปทําเข้าไปแล้วนะบาปกรรมทั้งหลายเข้าสู่จิตใจของคนคนนั้นคือเข้าไปหามโนนะมะโนคือใจมโนปุพังเข้ามาทํามา เพราะนั้นขอให้พวกลูกพวกหลานทั้งหลายนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำนะอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีในเมื่อทําเมื่อคิดเมื่อทําพูดออกไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีจะเข้าสู่จิตใจของพวกเราเราจะได้รับกรรมผลของกรรมนั้นคือโซฟอร์จะได้รับผลของกรรมนะเมื่อโซเฟอร์ขับรถไปเฉียวชนเขาโซเฟอร์ก็ต้องติดคุกติดตารางนี้ก็เหมือนกันนะั่นแหะถ้าว่าพวกเราทํากรรมชั่วคิดชั่วทําชั่วพูดชั่ว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 สิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทำถ้าทํำแล้วกรรมช่วจะให้ผลไม่ใครไม่มีใครดอกเดือดร้อนตัวเองนั่นแหละจะเดือดร้อนเพรา ะ, ะนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนน่ะมาทําการทํางานในกรุงเทพอย่างทิ้งลูกหลวงตาหลวงพ่อได้พูดให้ลูกหลานฟังนั่นแนหะให้มันขยันให้รู้จักหายรู้จักเก็บแล้วก็ให้รู้จักใช้กับพร้อมกันก็ให้เสะแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าคิดอย่าทําอย่าพูดถ้าคิดทําพูดออกไปแล้ว กรรมชั่วให้ผลตนเองจะเดือดร้อนนะ เ, เพราะนั้นกายกรรมคืออะไร อ, อ, อย่างสินห้าที่พวกเราได้รับจากหลวงตาเนี่ยที่ท่านให้สิน5ินห้าปานาสิปาต า, า, า, าเวลมันนีน่ในข้อศินห้าแปลว่าพวกเราอย่าคิดฆ่ากันถ้าการการคิดฆ่ากันเขาคิดฆ่าเราเราไปคิดฆ่าเขาล่ะต่างคนก็ต่างเดือดร้อนใช่เมื่อเราไปฆ่าเขา ไม่เป็นไรพราอเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าวงศาขนาดญาติของเราละ่ะเราเสียใจไหมเราเสียใจอธินนาทานก็เหมือนกันเราไปขโมยของเขาเขามีความรู้สึกยังไงเราไม่รู้แต่เมื่อเขามาขาโมยของเราละ่ะขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกฆ่าไทยเนี่ยเราเสียใจไหมเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจา้าว่าอยา่าขโมยกันข้อที่สมกาเมสุมิษาจาราริ ร, รัมณี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 เขาเสียความรู้สึกเขาเสียใจเพราะฉะนั้นขอพ่อยให้พวกเร า, เาจะไปกรมโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงคนอื่นเข า, เาไปย้อมตะ ก, กวัวว่าเป็นทองคําอย่างนี้แหละ เ, เลือกไปขายสิ่งของอะไรมากมายทุกวนันนี้ทางเขียนเช็คด้งเช็คแดงวันนั้นนะล้นแล้วแต่เป็นโกหกต้มตุ๋นหลอกลวงทั้งนั้นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งไหนก็ตามเรารู้ว่าอันไหนเป็นโกหกอันไหนหลอกลวงอันไหนต้มตุต๋นเขาอย่าทำนะ ได้เมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินห้าของพวกพุทธเจ้านะไม่ได้อยู่ไกลเนาะศัทธาญาติโยมลูกหลานเขาเราเขาเราเขาเรานะนี่คือสินห้าของพวกพุทธเจ้าแต่ศินข้อที่ห้าเป็นศินสําคัญข้อหนึ่งถ้าหากว่าพวกเราอยู่ในเต็นตนะ์นี่แหละถ้าเต็นต์ไม่มีหลังคาจะเป็นยังไงบ้านไม่มีหลังคาเป็นยังไง เวลาฝนตกออกมาก็เปียกแดดออกมาก็ร้อนพราะใหเ้เพราะไม่มีหลังคาอันนี้ก็เหมือนกันโทษห่าคนขาดสติกินเหล้าเข้าไปแล้วดื่มสุราเข้าไปแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วดีทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ขโมยใครก็ได้ราราประรวงในสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะฉะนั้นขอศินข้อที่ห้าเป็นศินหลังคาบ้าน เออหรือว่าเป็นสินหลังคาคุ้มครองอาคารหลังนั้นนี้ก็เหมือนกันคนเราถ้าขาดสติสัอย่างเดียวจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงสงขนาดไหนมั่งมีสีสุขขนาดไหนล่ํารวยขนาดไหนถ้าเป็นบ้าสัก อ, อย่างเดียวท่านั่นแหะขาดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นในลูกหลานทั้งหลายให้สํารวมระวังเนอเรื่องศินท่าสินคอที่ห้านี่เป็นศินที่สมควรสมควรที่จะสํารวมระวัง ให้มากข้อหนึ่งเหมือนกันนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดสำหรับลูกหลานาต่อนนี้ไปครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านจะอนุโมทนาให้พรเนศ น, นิเนอรับพรเนศ น, นิเนอ